บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปและการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวในมหาสติปัฏฐานที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลาดับนั้นจะพบบ่าธรรมะที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นโดยลำดับ และมีปริมาณสูงขึ้นตามสัด ส, ส่วนแห่งพัฒนาการทางจิตนั้นก็คือเรื่องของความเพียรสติและสัมปชัญญะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นการพูดถึงเรื่องสัมปชัญญปะปภะขึ้นหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญะได้แก่ความเป็นผู้รู้พร้อมหรือการกระทาความรู้ ในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนตัวความรู้นั้นในชั้นแรกเป็นเรื่องของความรู้ทันเพื่อก่อให้เกิดเป็นความถูกต้องความสงบนแนบน่นอยู่กับเรื่องนั้นๆไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามแต่ในชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการเพิ่ม ปริมาณแห่งสัมปชัญญะหรือสัมปชานะที่แปลว่าความรู้ทั่วพร้อมขึ้นในสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาดูสิ่งต่งตงตางๆในชีวิตประจำวันของตนซึ่งก็หมายความว่าในด้านการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสงบบรรดาอากุศล ที่เกิดขึ้นครอบงำใจบุคคลนั้นในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถกระทำได้ในชีวิตประจําวันของตนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามข้อสำคัญให้มีหลักของความเพียรสติและสามัญญะอยู่กับเรื่องนั้นนั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเมื่อจาแนกแสดงออกไปแล้ว ประเด็นหลักก็คือเรื่องที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ซึ่งในชั้นของศีลทางจัญญาตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามุ่งสอนจำแนกให้บุคคลแยกได้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่ว อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงการจัดเป็นคู่คู่แนวนี้อาจจะจัดได้มากมาย ก, ก่ายกองแต่จุดมุ่งหมายที่บุคคลจะต้องสำเนีกศึกษาก็คือเรื่องความมีประโยชน์และความไม่มีประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการแยกออกไปในลักษณะนี้โทษที่เป็นบาปเป็นโทษเป็นอกุศลเป็นความชั่วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ ส่วนที่ทรงกันข้ามก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในด้านของโลกธรรม ท, ที่เกิดขึ้นครอบงาใจาของบุคคลและบุคคลก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องเหล่านั้นก็มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เช่นลาบยศสันเสริญสุขก็เป็นประโยชน์เสื่อมลาบเสื่อมยศอินทาทุ ก, ก็ไม่เป็นประโยชน์ เวลาทรงจำแนกแสดงธรรมะก็ทรงแสดงไว้เป็นสามขวายด้วยกันที่เราสวดกันว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอันก็หมดสิ้นแล้วกุศลธรรมะก็คือ ร, รมอันเป็นกุศลที่อํานวยผลให้เป็นความสุขสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์อกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอกุศลอํานวยผลให้เป็นความทุกข์สิ่งนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ อัพยกากตาธรรมาคือธรรมที่เป็นกลางกลางไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ด้วยตัวของมันเองแต่บุคคลอาจจะอาศัยกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจของตนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือเป็นประโยชน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของบุคคลที่มีความรู้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นว่ามีความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรดังนั้นการกําหนดความเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้อยู่ร่ำไปอาศัยการฝึกปรือการเสริมสร้างการกระทําให้มีลักษณะสัมพันธ์กัน เช่นเวลาเห็นเป็นต้นก็แยกได้ทันทีว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แม้ในกรณีของการได้ยินได้ทราบได้รู้ก็จำแนกได้แยกได้โดยทำนองเดียวกันเนื่องจากในชั้นของการปฏิบัตินั้นสติกระสัมไปชัญญยาเป็นธรรมะที่จะต้องอิงอาศัยการและการจูไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงหรือไม่พูดถึงก็ตามแต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้ว ธรรมะทั้งสองนี้ก็ต้องทำงานสัมพันธ์กันเมื่อบุคคลรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สติก็จะทำหน้าที่ระลึกสัมรชัญญะก็จะทำหน้าที่ตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นการปฏิบัติก็มีลักษณะที่สืบเนื่องกันอยู่เช่นนี้ อีกแนวหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดซึ่งจะต้องสายไปในอารมณ์ต่างๆกับการเคลื่อนไหวการเที่ยวไปในสถานที่นั้นๆในชั้นนี้จะพบว่าระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของศีลแต่เป็นศีลชั้นประณีตที่พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงใช้คําว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือมีความประพฤติ มีกิริยามัญญาที่เหมาะสมและสถานที่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในทางกายนั้นจะต้องมีลักษณะคือกูลสนับสนุนให้เกิดความรู้ให้เกิดความสงบในสถานที่ใดที่เป็นสื่อให้เกิดกิเลสก็ละเว้นการเที่ยวไปในสถานที่นั้น แม้ที่จะสถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดความระแวงสงสัยของบุคคลอื่นหรืออาจจะประสบภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่จะต้องระลึกรู้เท่าทันต่อสถานที่นั้นๆในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นเอง แต่ว่านำธรรมะเข้าไปประกบเข้าไปใช้ให้เหมาะให้ควรแก่กาละแก่โอกาสนั้นๆจิ่งในชั้นของความคิดจิตใจด้วยแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการปฏิบัติกรรมาฐานนั้นมุ่งเน้นหนักไปในเรื่องของจิตใจจะพบว่าบางครั้งบางคราวอาการสายไปของจิตนั้น เป็นความสูญเปล่าแห่งการเวลาเป็นการบ่อนทําลายสุขภาพจิตแห่งตนเป็นการเพิ่มพูนบาเพิ่มพูนอกุศลขึ้นภายในจิตใจแทนที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบขึ้นภายในใจก็่อให้เกิดความฟุ้งซ่านความกระสับกระส่ายเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆนั่นคือการสายไปของจิตที่ตกไปในอารมณ์ น่าคร่ำน้าปรารถนาหน้าพอใจซึจ่งอาจจะเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตหรือแม้แต่เรื่องปัจจุบันก็ตามแต่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถที่จ ะ, จะใช้สัมปชัญญะเข้าไปควบคุมความคิดหรือวิถีของจิตใจได้ไม่ปล่อยให้คิดหรือทำไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้น แม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราจะมีลักษณะสับสนว่าวุ่นอย่างไรก็ตามถ้าตัวสัมปชัญญะยังมีอยู่เป็นหลักควบคุมใจของบุคคลอยู่แล้ว mm. ก็อาที่จะทําใจให้อยู่เหนือเหตุการณ์เหล่านั้นได้เป็นลักษณะของบุคคลที่เข้าไปกับเกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆ แต่ก็ควบคุมวิธีการกระทำของตนเองได้ไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นๆฉุดกระชากลากพาตนไปซึ่งการอยู่ในลักษณะนี้เป็นการอยู่อย่างไม่มีความคล่องความติดของบุคคลทั้งหลายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้น แต่จริงก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกิยรลมทั้งหลายอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกทั่วไปพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หลีกหนีออกไปจากโลกแต่ประการใดแต่ว่าจิตใจของท่านเหล่านั้นได้อยู่เหนือกระแสของอารมณ์และกระแสของกิเลสสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีสาหรับท่าน เรามีความรู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ประการจะปฏิบัติถึงชั้นนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดประการสําคัญจึงอยู่ที่ว่าทําอย่างไรจึงสามารถกระตุกความคิดที่สายไปในอารมณ์ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเสะเพิ่มความกําหนับความขัดเคืองความรุ่มหลงหรือความบวมเหมาให้เกิดขึ้นก็กระตุกความคิดให้กลับ จากอารมณ์เหล่านั้นมาให้ได้พระทัยใจเกิดสายไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภก็เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลถ้าว่าสายไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองปริมาณของกิเลสสายโทสะก็สูงขึ้นถ้าสายไปนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงกิเลสสายโมหะก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าหากกระสายไปในรม์เป็นที่ตั้งแห่งความวบวมเมามันเป็นการบั่นทอนตัวสติและสัมปชัญญะของบุคคลจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ายน้ําทวนกระแสดังที่กล่าวแล้วว่ายน้ํากันไปด้วยความเพียรพยายามเป็นนันมากแต่ในที่สุดก็ปล่อยมือไม่พยายามทั้งด้วยมือและด้วยเท้าจิตเจตนาที่ตั้งใจเอาไว้ก็ผ่อนคลายลงไปก็ถูกกระแสน้ําพัดกลับมาได้ ดังนั้นในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของความฉลาดในกระบวนการของจิตด้แก่สติสัมปชัญญะที่เราเลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์นั่นเองการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะเห็นได้บ้างแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งและมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่เราใช้ได้ในชีวิตประจาวันของตนการปฏิบัติกรรมาฐานจึงเป็นการเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นเท่านั้นเอง และสูงขึ้นไปโดยลําดับจนถึงจุดหนึ่งเป็นความสมบูรณ์แห่งสติเป็นความสมบูรณ์แห่งสัมปชัญญะโดยความหมายความว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะไม่มีคําว่าเข er ือเพลอคําว่าหลงลืมคำว่าพลั้งพลาดหรือคำว่าไม่รู้แต่ประการใดตัวความรู้นั้นจะเหมือนแสงไฟที่ลุกโผรงอยู่เป็นนิดสิ่งอะไรที่มาปรากฏก็จะเห็นได้ในทันทีทันใด และประการที่สําคัญก็คือเรื่องการพยายามแสวงหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นความสบายแก่ตัวเองซึ่งในที่นี้หมายความว่าถ้าอะไรบรรไวต่ออารมณ์ฝ่ายต่ําหรือกิเลสแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งท่านจําแนกแสดงไว้เป็นอนันมากเช่นเป็นเรื่องของอาหารก็ดีเรื่องที่อยู่ก็ดีเรื่องบุคคลก็ดี และที่สําคัญก็คือตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่ตัานใช้คำศัพท์ปายะเราแปลกันว่าสบายหมายความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชอบใจพอใจแต่ว่าการมนสิการถึงเรื่องอะไรก็ตามหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคลเรื่องราวอะไรก็ตามสามารถโน้มน้อมใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายก็มีความรู้เท่าทัน ต่อสิ่งเหล่านั้นต่อเรื่องราวเหล่านั้นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความรู้ปริมาณของความรู้ที่เพียรพยายามสร้างขึ้นนั้นจะต้องขคยจัดความหลงออกไปได้คือเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ระดับที่ไม่หลงในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าปัญญาที่ท่านจัดเอาไว้เป็นชั้นๆม่นเป็นการจัดตามปริมาณของสัมปชัญญะ ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองปัญญาบางระดับมีจำนวนน้อยหลือเกินไม่สามารถที่จะ แ, แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรบางครั้งคนตัวเองเป็นคนโง่เป็นคนข่าวในเรื่องเหล่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงจำแนกแสดงไว้เป็นสองชุดชุดหนึ่งว่าคนพานที่ไม่ รู้ว่าตัวเองเป็นคนผา น, นั้นคือคนผานแท้แท้ในชุดหนึ่งจุดที่สองคนผานแต่รู้ตัวเองว่าเป็นผานก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นบัณฑิตได้ตัวอย่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณของสามปัญชนนั้นมีมากน้อยแตกต่างกันคนประเภทแรกมีน้อยด้วยกันประเภทที่สองก็มีปริมาณสูงขึ้นแต่ในที่บางแห่ง ก็ยังจาแนกแสดงทยอยกันไปเรื่อยเป็นอาการความเข้มข้นของปัญญาหรือของสัมปชัญญะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นัน้นฉันยกตัวอย่างว่าคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังมันดิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังจึงหมายความว่าบุคคลประเภทแรกนั้นมีระดับของสติสัมปชัญญะน้อย ไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองมองเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวคือใช้ตาเนื้ออย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ตาในคือตาปัญญาส่วนคนประเภทที่สองนั้นก็ใช้ตาในคือตาปัญญาเป็นหลักมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่ตนเองก็จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวเองก็ในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วผลปรากฏในที่ใดเ ห, เหตุก็ต้องมีอยู่ในที่นั้น เมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนก็แสดงว่าเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์และเป็นความสุขนั้นจะอยู่ที่ตนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักปราชญ์หรือเป็นบัณฑิตมีปัญญาก็จะต้องมีการเพ่งพินิษพิจารณาโทษของตนเองเป็นหลักคือตรวจสอบตัวเองเป็นหลักหรือในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นพระสงฆ์แสดงว่าอีกชุดหนึ่งว่า คนที่เป็นบัณฑิตนั้นย่อมไม่นำพาต่อภาระที่ยังไม่ถึงแต่ไม่ทอดทิ้งหรือไม่ละเลยต่อภาระที่มาถึงข้าวซึ่งก็หมายความว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตเป็นนักประจึงกหมายถึงปริมาณสติปัญญาของเขาสูงขึ้นนั้นจะไม่ขวาย้าเรื่องที่ยังไม่มาถึงเพราะเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็คือเรื่องที่ยังไม่มาถึง ไม่ไขวยคว้าหรือไม่ไขวยคว้ามันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่สําหรับเรื่องที่มาถึงในปัจจุบันนั้นก็จะนําพาก็จะใส่ใจก็จะเอาเป็นภาระธุระในกิจการงานเหล่านั้นเป็นต้นนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ที่บุคคลสามารถพัฒนาขึ้นในชีวิตประจำวันในแต่ละจุดของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลและอารมณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ปริมาณของสัมปชัญญะสูงขึ้นภายในจิตใจของตนแต่ว่าการพิจารณาในชั้นหนึ่งที่ปริมาณของธรรมะข้อนี้สูงขึ้นแล้วบุคคลก็จะมองเห็นอีกแนวหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตร่างกายอิริยาบทและความเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่มีการเลื่อนไหลไปโดยลาดับ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่มีจุดกลับมาอยู่ในฐานะเด็มยังยกตัวอย่างว่าเรายกมือขึ้นมาก็ถือว่าอาการยกมือขึ้นในแต่ละช่วงของมือที่ยกขึ้นวันนั้นจุดที่ยกขึ้นก็ไม่ได้จิดตามมาถึงจุดสุดท้ายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยลำดับและไม่มีการหวนกลับมาอีกต่อไป เพราะอะไรเพราะกาลละเพราะเทศะต่างๆนั้นได้เปลี่ยนไปหมดแล้วชีวิตจึงกลายเป็นกระบวนตามธรรมชาติที่เลื่อนไหลไปบางครั้งบางคราวท่านได้มองในจุดของความเกิดความตั้งอยู่และความเสื่อมไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจริ ง, รงๆท่านมองในแง่ของความเสื่อมเพียงจุดเดียวเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีอาการย้อนกลับมา ถึงแม้จะเป็นการ ย, ย้อนกลับมาตามแนวของวัตถจักแต่เป็นการย้อนกลับมาในรูปหนึ่งในอี ก, ล, กลักษณะหนึ่งลักษณะหนึ่งในอีกกาลละหนึ่งเท่านั้นเองกระบวนการตามธรรมชาติเหล่านี้บุคคลอาจจะมองอาจจะรู้อาจจะเกิดความเข้าใจในส่วนอื่นๆได้จะยกตัวอย่างในกระบวนของน้ำน้ำลอยขึ้นไปเป็นไอก็อไปเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนแล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ส่วนอื่นๆของโลกของชีวิตที่ท่านสรุปออกเป็นนามรูปก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นอาการเลื่อนไหลและเป็นอาการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆซึ่งบางครั้งท่านใช้คําว่าสุธธรรมาภวัตันติคือเป็นกลุ่มของธรรมล้วนๆที่เปลี่ยนแปลงไปที่หมุนวนกันไป ไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรดับไดยท่ามไปเพราะมีอาการหมุนแต่การที่จะเข้าถึงหรือเกิดความรู้ความเห็นในจุดนั้นได้ปริมาณของปัญญาก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในการศึกษาในการปฏิบัติในชั้นแรกท่านจึงสอนให้มองในรูปของการเปรียบเทียบเมื่อมองเห็นชีวิตของบุคคลเราหรือสิ่งที่ไปกาหนดรู้ว่า เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เลื่อนหลไปมองให้เห็นชัดในจุดหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงความคิดเข้าไปหาในจุดอื่นซึ่งอาจจะดูด้วยลืมตาดูก็ได้แต่ว่าใช้ปัญญาเข้าไปกากับเข้าไปพินิจพิจนารณาดูในสิ่งเหล่านั้นก็จะมองเห็นว่าแท้ทีจริงแล้วก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกัน เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่มีอาการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยในแง่ของชีวิตตัวการที่สำคัญจึงอยู่ที่ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะนั้ น, น, นเป็นสิ่งของเราโดยแท้จริงถ้าหากว่าบุคคลปล่อยให้ขณะที่มาถึงข้าวผ่านพ้นไปก็ชื่อว่าผ่านพ้นไปแล้วจริงๆไม่มีโอกาสที่จะเรียกกลับ ให้คืนมาให้หวนคืนมาได้แต่ประการใดในทางพระพุทธศาสนาพอถึงจุดนี้จึงเน้นที่ปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่สุดยางที่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือสิ่งที่ล่วงแล้วไปสิ่งที่ยังไม่มาก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไขว่คว้าเป็นเรื่องของกาละเป็นเรื่องของเวลาปัญหาของบุคคล น, นั้น เราต้องเพียรพยายามที่จะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นในแต่ละขณะเคยเห็นชัดเจนถึงเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นๆปริมาณของธรรมะที่ใช้ไปในจุดนี้หรือในกรณีนี้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองจนว่ามีบุคคลมาหา โดยธุระกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องมองให้ประจักชัดว่าคนเหล่านั้นเป็นใครเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จเป็นต้นนึ่จะเห็นได้ว่าในกรณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้อยู่ประจำวันโดยเฉพาะในสภาพสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีเรื่องเป็นอันมากที่บุคคลจะต้องคิดซก่อน จะต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาเสียก่อนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการสอบถามเทียบเคียงทดสอบด้วยวิธีใดพิจิตนระเพื่อเกิดการตัดสินที่ถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณีนั้นๆั้นแต่ในชั้นของการพินิษพิจารณานั้นเราสามารถที่จะดูในส่วนตัวทั่วไป ว่าแท้ทีจริงแล้วเป็นอาการเลื่อนหลายที่ไม่หมุนกลับมาในที่เดิมอย่างที่ท่านผู้หนึ่งแสดงไว้ว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปกระล ง, ลงไปในกระแสน้ําอันเชี่ยวได้เป็นครั้งที่สองซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เลยดูไปดูมาคล้ายๆกับว่าเราจะกระโดดหลายครั้งได้แต่แท้ทีจริงแล้วกระโดดไม่ได้ ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะกาละนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ววัยของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วน้ําในจุดที่เรากระทบก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแม้แต่สะพานที่เราจะไปยืนกระโดดมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นความเปลี่ยนที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เลยนี้ก็คือเรื่องของชีวิตและเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านกล่าวโดยสรุปว่านามารูปการพินิษฐพิจารณาจึงเป็นการพินิษพิจารณาถึงนามารูป เรรู้ตามความเป็นจริงของนามารูปเหล่านั้นและเมื่อเห็นไปจากชัดในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะเชื่อมโยงไปในจุดอื่นได้เหมือนกันบางทีอาจจะจําแนกแสดงโดยวิจิตพิสดารแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นการกล่าวโดยสรุปเจนรูปนามในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเล็งนิดไกใกล้ๆก็ตามสิ่งทั้งหมดเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกระบวนการของรูปนาม เป็นรูปกับเป็นนามแต่นั้นเองไม่มีอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นของเราโดยแท้จริงไม่มีอะไรที่ชื่อว่าเป็นเราโดยแท้จริงและไม่มีอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงเมื่อการกําหนดการพินิจพิจารณาจนเกิดปัญญาความรู้ในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้ว แม้ใจของบุคคลจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นของมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้เอาจริงเอาจังในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ให้เกิดความเรียนรู้ยอมรับความมีอยู่ของกายก็ถือว่ากายนั้นมีอยู่จริงแต่กายนั้นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัต เป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มแห่งสิ่งต่างๆมีขันธ์ธาตุอาญาตนะเป็นต้นเท่านั้นเองเราจําเป็นจะต้องอาศัยร่างกายนี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจของตัวเองแต่โอกาสหนึ่งเราก็ต้องทิ้งกายอันนี้ไปการอาศัยกายของบุคคลจึงเหมือนกับบุคคลอาศัยเรือข้ามฟาก โอกาสหนึ่งแม้จะอะไรจะดีในเรืออย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องทิ้งเรือนั้นเมื่อยามถึงฝั่งหรือต้องการจะขึ้นฝั่งการศึกษาการปฏิบัติธรรมะไม่ได้มุ่งผลอย่างสูงเพียงชั้นเดียวแต่แท้จริงแล้วบุคคลจะต้องนํามาใช้ให้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยเพราะชีวิตประจําวันที่บุคคลพยายามเสริมสร้างพยายามอบรมพยายามกระทํา พยายามคิดพยายามระลึกอยู่บ่อยๆนี่เองเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยปัจจัยหรือพูดโดยสรุปกับบารมีที่ก่อขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกระหยาดฝนหรือหยาดน้ําที่ตกลงบนภาชนะมีการกระทําบ่อยๆมีการกระทําที่สืบเนื่องกันไปในที่สุดปริมาณของธรรมะทั้งสามประการคือความเพียรสติและสัมปชัญญะก็จะสูงขึ้น วันนี้เราอาจจะไม่เห็นอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้แต่เมื่อทำเมื่อปริมาณของธรรมทั้งสามประการนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเกิดความคล้อยตามความเห็นตามความรู้ตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นคือผลที่พึงปรารถนาสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป